คือช่วงเวลาของการฟังธรรมนะเป็นเวลาสําคัญในชีวิตของเราโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งมีไม่มากนะเรามีเรื่องอาธรรมนะมีให้ฟังตลอดเวลาเงั้นเวลาฟังธรรมเนีเป็นเวลาที่เราต้องเสียสละฟังด้วยความสงบด้วยความสํารวมเป็นเวลา เหมือนกับเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านตอนนิพพานนีท่านบอกว่าท่านให้ธรรมวินัยเป็นาศาสดาแทนองค์ท่านเหราะง้นเวลาที่เราฟังธรรมก็เหมือนเวลาเราเข้าเฝ้าพระาศาสดาของเราเราฟังด้วยความสงบด้วยความสํารวมอะไรที่จะบรบกวนความสงบของตนเองของคนอื่นเราก็งดเ้น อย่างทุกวันนี้สิ่งที่กวนมากที่สุดเลยนะคือเรื่องโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปพวกนี้ยังไงก็ปิดเสียงซะก่อนใครยังไม่ปิดก็ปิดซะระหว่างฟังเทศก็งดเม้นอย่าไปถ่ายรูปกวนสมาธิของคนอื่นเขาบาปกรรมยัเวลาฟังธรรมฟังด้วยใจที่สบายๆรู้เนื้อรู้ตัวสงบสํารวม ธรรมะก็จะเข้าสู่ใจเราง่ายถ้าใจเราไม่มีสมาธิวกแวกวกแวกนะธรรมะมันก็เข้าหูหูซ้ายออกหูขวาไม่ได้เข้าสู่ใจของเราสักทียันต่อไป น, นี้เป็นเวลาของการฟังธรรมวันนี้มีงานทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเงินหลวงพ่อก็เทศเรื่องปฏิบัติธรรม ความจริงเรื่องอื่นเทศไม่เป็นเทศอยู่เรื่องเดียวเรื่องการปฏิบัติเราปฏิบัติทำเราก็ต้องรู้ว่าเราปฏิบัติไปเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วมันได้ผลยังไงเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรทําแล้วมีผลยังไงอันนี้คําตอบอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีให้เราอย่างชัดเจน สิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะก็คือการฝึกอบรมจิตใจของเราให้มีคุณภาพสูงขึ้นสูงขึ้นวนมีสมาสมาธิฏิสมมาธิฏินั่นคือตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้าเรามีสัมมาทิฏฐนะิใจมันจะคลายความยึดถือในรูปธปรรมนามธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะรูปธรรมนามธรรมที่มันรวมกันขึ้นมาแล้วเราสาคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเรา มันคลายความยึดถือแล้วต่อไปนะร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจมันไม่กังวลเนาะจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักจะสมหวังจะผิดหวังใจมันไม่สะเทือนมันไม่หวั่นไหวเราอยู่กับโลกโดยที่โลกมันทำร้ายเข้ามาไม่ถึงใจเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตใจเราจะไม่ทุกข์นี่คือสิ่งซึ่งหาไม่ได้ใน ศาสตร์ต่างๆศนะาสตร์แต่ละศาสตร์มีจุดมุ่งหมายของตัวเองอย่างนี้ดิศาสตร์ก็เรียนเรื่องทํำยังไงจะมีความยุติธรรมรัฐศาสตร์เรียนทําไงการปกครองจะดีแพทย์ศาสตร์เรียนทางไงจะป้องกัน ร, รักษาโรคไดนะ้วิชาทหารก็เรียนว่าทำไงจะเอาชนะศัตรูได้าศาสนาพุทธนี่ก็เป็นศาสตร์อันนึงเรียนเราจะไม่ถูก งันเป้าหมายสูงสุดของเราคือความดับสนิทแห่งทุกศาสดอย่างนี้ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือนงั้นเป็นบุญเป็นวาสนามากแล้วที่บรรพบุรุษเราเลือกเอ า, าศาสนาพุทธมาอยู่ในบ้านในเมืองเราทุกวันนี้ชาพุทธเรารอดแน่เต็มทีชาพุทธจริงๆเหลือไม่เท่าไหร่แล้ว ตอนหลวงพ่อเด็กๆนั้นเขานับชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยศา ส, สนาพุทธเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้นับแล้วได้อันดับสามตกลงมาเรื่อยๆอันดับสามนั้นจำนวนมากอยู่ในเมืองไทยคนไทย9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นชาวพุทธแต่เอาเข้าจริงมันมีชาวพุทธอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกนอกนั้นเป็นพุทธแต่ชื่อไม่รู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าเรายังไม่รู้เลยว่า คำสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะมุ่งไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์เราคิดว่าเป็นศาสนาพุทธแล้วมันดีอ ย, น อ, นอย่างน้นอย่างนี้อย่างดูชาวพุทธทั่วๆไปเนาะเข้าวัดเข้าอะไรเนี่ยหวังจะเฮงหวังจะรวยหวังจะอะไรพวกนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปไหว้พระขอให้หายป่วยขายที่ไม่ออกเอาโฉนดไปให้พระเหยียบเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ลักษณะของชาวพุทธที่แท้จริงเลย ชาวพุทธจริงๆเหลือน้อยเต็มทีแล้วทนะุกวันนี้คือถ้าเราไม่มีสมมมาทิฏฐิในใจของเราเราไม่ใช่ชาวพุทธตัวจริงเราเป็นแต่เปลือกเป็นแต่ชื่อเท่านั้นเองเราไม่สามารถรักษาศา ส, สนาพุทธเอาไว้ได้จริงเพราะเราแยกแยะไม่ออกนะว่าอะไรเป็นสมมมาทิฏฐิอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมันก็แทรกตัวเข้ามาอยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนานี่เองหน้นนาที่ของเราต้องเรียนให้ดีนะต้อง ร, รู้ ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุด ข, ข, ข, ของเราเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อสิ่งอื่นหรอกทําเพื่อความดับสนิทของกองทุก์การจะดับทุกเราต้องถามว่าจะทําไปอย่างไรทําอย่างไรต้องทําอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องทำนะั่นคือการศึกษาศึกษาว่าทํำยังไงเราจะมีศีลเพื่อให้กายวาจาของเราเรียบร้อยศึกษาว่าทํำยังไงเราจะมีสมาธิที่ถูกต้องเพื่อให้จิตใจของเรา สงบเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเจริญปัญญาเราศึกษาว่าการเจริญปัญญาที่แท้จริงทําอย่างไรเนี่ยเราต้องเรียนเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าเราไม่เรียนสิ่งเหล่านี้เราก็ยังปฏิบัติไม่ได้จริงมันน่าเสียดายอยู่นะชาวพุทธเองก็มีน้อยอยู่แล้วคนที่เข้าวัดก็มีนิดเดียวในดําบรรดาคนที่เข้าวัดนะคนที่สนใจการปฏิบัติก็มีน้อยหนักเขากว่าอีก แต่ในจานวนนับปฏิบัติน้อยๆนะที่ปฏิบัติแล้วถูกหลักถูกเกณฑ์นะยิ่งน้อยหนักกข้าอีกมันแทบจะนับตัวได้เลยนะส่วนใหญ่ก็ไปนั่งสมาธิเอานะนั่งสมาธิให้ใจสงบเงียบๆไปหวังว่านั่งสมาธิมากๆแล้ววันหนึ่งจะเกิดปัญญาจะบรรลุมรรคผลนิพพานมันบรรลุไปไม่ได้หรอกนะสมาธิไม่ได้ทําให้ใครบรรลุมรรคผลนิพพานนะจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา แต่ปัญญามีไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิรองรับนะสมาธิมีไม่ได้ถ้าไม่มีศีลดองรับงั้นเบื้องต้นเราต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนนะทุกวันนี้ใครถือศีนก็กลายเป็นคนโง่ในสังคมมันสร้างมาตรฐานที่เลวร้วายขึ้นมาอย่างพยายามสอนกันนะว่าขอรับชั้นก็ได้นะถ้ามีผลงานเนี่ยโกงก็ได้มีผลงานอ น, นี้ไม่ใช่คอนเซปต์ไม่ใช่วิธีคิดแบบชาวพูดเลยถ้าวิธีการโสโปรกนะี ปลายทางอย่างไงก็โศกปลุกงั้นพวกเราต้องมาตั้งใจนะคนอื่นเขาไม่รักษาศีลก็เรื่องของเขาใครรักษาคนนั้นก็ได้ประโยชน์ถ้าเรารักษาศีลได้นะใจเราจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นตีดขึ้นมันทําสมาธิง่ายคนทําผิดศีลได้นะเพราะว่ากิเลสมันครอบงําจิตเวลาราคะความโลภมันครอบงําจิตเไปฆ่าเขาก็ได้นะไปสิ่งทรัพย์เขา้าไปฆ่าเขา ไปรักเขาขโมยเขาประพฤติผิดในกรรมได้ไปปลิ้นปลอนหลอกลวงได้หรือเวลาราคะเวลาโลภะครอบงําจิตในในใจิตใจเพลิดเพลินสนุกสนานก็ดีก็ด้ากินเหล้าเมายาก็ได้เวลาโทสะครอบงําจิตนัก็ทําผิดศีลห้าได้ทั้งห้าข้อเหมือนกั น, นเวลาโมหะครอบงําก็ทําผิดศีลหทั้งห้าข้อได้เหมือนกันคนทําผิดศีลได้นะเพราะกิเลสมันครอบงําจิตเท่านั้นเองถ้ากิเลสครอบงําจิตไม่ได้ จะผิดศีลไม่ได้เด็ดขาดเลยศีลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่ก่อนที่เราจะปฏิบัติจนสามารถถอดถอนไม่ให้กิเลสมันมาครอบงาจิตได้เบื้องต้นกิเลสมยัง ม, มีอานาจมากเราต้องใช้วิธีตั้งใจตั้งสัจจก่บตัวเองไว้ว่าเราจะตือศีลเอาแค่ห้าข้อก็ออพอแล้วเป็นคราวาสเอาแค่ห้าข้อให้ได้ก็วิเศษนักหนาแล้ว พระศีลห น, นั่นแหละเป็นศีลสำคัญเป็นศีลพื้นฐานเลยอย่างศีลของพระ2อข้อนะเอาเข้าจริงเป็นเรื่องระเบียบการปฏิบัติการวางเนื้อวางตัวอะไรซะเยอะเลยเป็นเป็นระเบียบนะเป็นกฎเกณฑ์ตัวที่เป็นศีลจริงๆอนะ่ะห้ข้อนี้แหละตัวสำคัญอย่างเรามีศีล น, นะข้อข้อสัมมาวาจานะี้ข้อส สมักกามันตะเนี่ยศีลข้อหนึข้อสองข้อสามเนี่ยศีลจริงๆก็สข้อนี้ข้อ5เป็นตัวเสริมถ้าเราทําผิดศีลข้อ5นะสติเราขาดถ้าสติเราขาดแล้วเนี่ยกิเลสครอบงําจิตง่ายก็ทําผิดศีลได้ง่ายนะงั้นรักษาศีลเนีเอาแค่5ข้อให้ได้ก็แล้ว ก, กันเวลารักษาศีลไม่ต้องไปขอใครนะการที่ต้องไปขอพระนะั้นมันเหมือนการปฏิญาณตัวท่านเองให้พระเป็นพยานว่าเราจะถือศีล เราอยู่บ้านตั้งใจทุกวันนะตื่นนอนขึ้นมาเราตั้งใจเลยวันนี้เราจะรักษาศีลห้าไม่ต้องขอกับใครหรอกปฏิญาณกับตัวเองก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนที่กินข้าวเย็นตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลห้าเผื่อตอนกินข้าวนะสำลักข้าวตายจะได้ตายแบบมีศีลก่อนนอนตั้งใจอีกจะรักษาศีลหนะเผื่อนอนแล้วไม่ฟื้นไม่ตื่นขึ้นมา วันหนึ่งวันนึงเนี่ยลองคิดถึงตั้งใจตัวเองบอกตัวเองว่าเราจะรักษาศี่ห้าจะรักษาศีลห้าบอกไปเรื่อยๆวันหนึ่งสี่หครั้งนี่แหละเวลาที่มันจะทําผิดศีลมันจะละอายกับตัวเองบ้างจะละอายใจขึ้นมาบ้างถ้าไม่มีฮิริโอตปาถือศีลไม่ได้ยังเห็นตํารวจเฝ้าอยู่หน้าร้านทองเราไม่ปล้นร้านทองไม่ใช่แมว่ามีศีลดีนะม่ยังไม่มีโอกาสทําชั่วหรือเราแก่งมากเลยนะอายุก90กว่า ไม่ได้เป็นชู้กับใครไม่มีปัญญ า, านั้นไม่ใช่ถือศีลถือศีลเนี่ยก็ตั้งมีโอกาสทำชั่วก็ไม่ทำนะลาเบนได้นั่นถึงจะเป็นศีลนั้นอยู่ที่ความตั้งใจของเรานะตั้งใจให้เด็ดเดียวบอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราจะถือศีลห้าเวลาจะทำผิดศีลนะมันจะละอายใจปฏิญาณตัวแล้วทำไมจะต้องทำผิดศีลนะการที่เราคอยระลึกถึงบ่อยๆนะนึกถึงว่าเราจะมีศีล น, นึกจะมีศีลด้อยๆนะ มันจะช่วยให้เราเกิดสมาธิได้ง่ายทุกวันนี้ที่หลวงพ่อออกไปสอนกรรมฐานนะคนเรียนกับหลวงพ่อนับจํานวนเม่ถ้ว น, ะนมีทั่วโลกแล้วหลวงพ่อพบอย่างหนึ่งว่าครวาญเนะี่ยมีจุดอ่อนที่ร้ายกาดมากเลยคือขาดความต่อเนื่องขาดสมาธิครวญเนี่ยขาดสมาธิมากเลยทุกวันนี้สมาธิสั้นชุดจุ๋เลย จะทำอะไรนะเดี๋ยวก็ไลน์มาแล้วเดี๋ยวเฟซมาแล้วอะไรก็ไม่รู้บล็กแวกวลอกแวกแวตลอดเวลาเลยนะขนาดไม่มีสิ่งยั่วยุเหล่านี้นะเราก็ใจไม่ค่อยจะอยู่กันเนื้อกับตัวเท่าไหร่ละทุก ว, วันนี้สิ่งที่ยั่วยุให้เราลืมเน้ลืมตัวเนะยอะไปหมดเลยนะงั้นแทนที่เราจะมาสนใจเรื่องเหลวไหลหาสาระอะไรพวกนี้ไม่ได้นะเราค่อยมานึกถึงรักษาศีลตั้งใจรักษาศีล น, นึกไปเรื่อยๆ นึกเรื่อยๆว่าเราจะรักษาศีลแล้วเรารักษาได้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าศีลานุสติศีลานุสตินะถ้าเราถือศีลได้สักช่วงหนึ่งนะแล้วเราก็นึกขึ้นมาว่าโอ้ที่ผ่านมาเราถือศีลมาได้สามเดือนละคิดเท่านี้แหละสมาธิจะเกิดแล้วสมาธิจะเกิดใจมันจะมีความสุขขึ้นมาความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิไม่ใช่สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสุขนะ สมาธิชั้นสูงเรียก อ, อัปทนาสมาธิเป็นฌานหนึ่งสองสามีห้าหดแดมีฌานหนึ่งสอสาเท่านั้นที่มีความสุขฌาน4ี่ห้าเปนั้นเป็นฌานที่เป็นอุเบกขาเลยสุขขึ้นไปละความสุขต่างหากเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะงั้นถ้าเราถือศีลไปด้วยนะเราคิดถึงว่าเราได้รักษาศีลไว้อย่างดีแล้วเนี่ยใจเราจะมีความสุขสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลยสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึง่ง บวชแล้วก็ไม่ได้มรรคผลอะไรกับใครเขาเลยเสียใจวันหนึ่งเอามีดโกนปาดคอตัวเองว่าโงกว่าเขาคนอื่นรุ่นเดียวกันเป็นพระรหัตเป็นพระนัาค า, นาตัวเองไม่ได้อะไรเสียใจไปมากนะฆ่าตัวตายเอามีดปาดคอตัวเองแล้วท่านก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะตั้งแต่บวชมาเนี่ยยังไม่เคยทําผิดศีลเลยนี่ดีนะที่คิดอย่างเงี้ยถ้าคิดมากกว่านี้ตอนเนี้ยทาผิดแล้วเชอือดคอถ้าคิดอย่างนี้ละใจตกเลยดีท่านคิดแค่ว่าที่ผ่านมา ที่ผ่านมาไม่เคยทําผิดศีลเลยตัวท่านเองตีเตียนตัวเองไม่ได้ผู้ท้เจ้าหรือกรยานมิตรทั้งหลายตีเตียนท่านไม่ได้เขาคิดขึ้นมาแค่นี้สมาธิเกิดแล้วสมาธิเกิดแล้วท่านเห็นรูปนามมันทํางานเห็นร่างกายจะตายใจเป็นคนดูนีแยกรูปแยกนามร่างกายมันจะตายอยู่แล้วใจมันเป็นคนดูร่างกาย น, นี้ไม่ใช่เราใจที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เราสุดท้ายท่านก็ปล่อยหมดความยึดถือในรูปนามได้ บราารลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายเนี่ยไม่้มีอย่างอื่นเลยนะทำสมาธิเข้าชงเข้าฌานอะไไม่เป็นหรอกแคนะ่รักษาศีลให้ดีนะเมื่อนพวกเราลองดูนะ้าตั้งใจรักษาศีล น, นึกไปได้ๆเป็นกระว่านนะศีลมันด่างพลอยง่ายนะโอกาสที่จะด่างพลอยเนี่ยมีตลอดปันแต่ศีลด่างพลอยไม่เป็นไรด่างพลอยแล้วตั้งใจเอาใหม่นะต่อไปมัก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้น ที่แรกนั้นการถือศีลนะัใช่วิธีตั้งใจเอานะต่อไปเรามาฝึกสติถ้าเรามีสติดีนะศีลมันจะอัตโนมัติวิธีให้ศีลอัตโนมัตินะก็คอยรู้ทันสิศัตรูของศีลคือกิเลสนะถ้ากิเลสมานะศีลมันก็พร้อมที่จะหายไปแต่สกิเลสนะั้นมันแพ้สติกิเลสมันก็มีแค่โลบโกรธหลงพวกเราก็รู้จักรโเป็นมโโกรธเป็นไหมลลนไหมลงเป็นไหมหลง ฟุ้งซ่านลังเลสงสัยรู้จักทั้งนั้นนะกิเลส ท, ทุกตัวอิจฉาพยาบาทเสงเบื่อเนี่ยกิเลส ท, ทั้งนั้นกลัวก็กิเลสนะต์หนีรู้สึกต์นีหวงแหนก็กิเลสกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจนะกิเลสไม่เกิดที่กายหรอกกิเลสเกิดที่เดียวที่ใจเมื่อไหร่กิเลสเกิดขึ้นที่ใจนะให้มีสติรู้ทันอย่างโกรธขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทันว่าโกรธ ทันทีที่รู้ทันว่าโกรธนะความโกรธจะดับอัตโนมัติตรงที่ความโกรธมันดับแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะความโกรธเวลาความโลภมันเกิดขึ้นในใจใหเห็นสาวสวยเดินมาเรามีเมียอยู่แล้วด้วยเห็นผู้หญิงอื่นเดินมาสวยความเมียเราใจชอบจะไปจีบเค้าเนียมันเห็นเลยใจมันมีความโลภมีโลภะเกิดขึ้นทันทีที่สติระลึกรู้ความโลภความโลภจะดับอัตโนมัตินะเป็นกฎของธรรมะเลย เ ม, anne, ม ite, ื่อไรมีสต mm. really ิเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่คือกฎของธรรมะข้อหนึ่งยัหน้าที่เราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่ใจคอยรู้กิเลสอะไรเกิดที่ใจคอยรู้ความจริงประโยคนี้ของหลวงพ่อนเกินจําเป็นประโยคที่ว่ากิเลสอะไรเกิดที่ใจให้คอยรู้เพราะจริงๆกิเลสเกิดที่เดียวคือที่ใจกิเลสไม่เกิดที่กายถ้าพูดย่อๆก็คือเมื่อไรกิเลสเกิดก็ให้รู้ราคะเกิดขึ้นให้รู้ทันโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทัน โมหะเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วนะราคาโทสะโมหะจะดับอัตโนมัติเมื่อมันดับแล้วเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะราคาโทสะโมหะเราอาศัยความรู้เท่าทันจิตใจของเราต่อไปอีกนะค่อยๆสังเกตต่อไปเพราะเราสมาธิไม่มากเราก็ใช้สมาธิชั่วขณะถ้าคนไหนทำชาญได้นะดูแล้วโอกาสยากนะพวกเราหน้าตาฟูงซ่น โอกาสจะเข้าฌานแต่ละคนแต่ละคนมันทําได้น้อยคนยุคนี้สมาธิไม่ค่อยพอนะเมื่อสมาธิเราไม่พอเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเลือกทําสมาธิที่เราทําได้ไม่ต้องคิดถึงอัปปนาสมาธินะแค่ขณิกกะสมาธิก็พอแล้วขณิกกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะเป็นสภาวะที่จิตมันตื่นขึ้นมาชั่วขณะนะรู้เนืรู้ตัวขึ้นชั่วขณะนะสมาธิอย่างนี้อย่าดูถูกว่ามันสั้น พระอระหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยสมาธิชนิดนี้เนี่ยหลวงพ่อไม่ได้พูดเองในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกว่าดูขรัภิกษุทั้งหลายในจํานวนพระอรหันต์ห้ารอ ร, รูปเนี่ยมีพระอระหันต์ที่ได้วิ ช, ชาสามอยู่60สรูปได้อภิญญาหกหสรูปได้อุปโตภาควิมุติคือได้อารูปฌานหกสิรูป รวมแล้วร8 0จาก500คือ 36% ท่านที่ได้วิชาสามาปิญญาหกนะได้อุปโตภาควิมุตตนะต้องทรงฌานถ้าไม่ทรงฌานเนะี่ยมันไม่ได้ของเล่นพวกนี้ล้วนะราหันที่เหลือเท่าไหร่ 60% 64% 64% คือคนอย่างพวกเราเข้าฌานไม่เป็นนะเข้าฌานไม่เป็นเราใช้สมาธิอะไรในการเดินปัญญา ใช้คณิกะสมาธิคณิกะสมาธิเป็นสมาธิชั่วขณะนะปกติจิตของเราเนี่ยไม่มีสมาธิจิตของเราจะร่อนเร่วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกวิ่งไปทางลิ้นวิ่งไปทางกายวิ่งไปทางใจโดยเฉพาะการวิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดนะวิ่งตลอดเวลาวิ่งตลอดวันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดตื่นนอนมาก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นนะคิดถึงเวลาอื่นเช่น เดี๋ยวสายวันนี้เราจะต้องไปโน่นสายนี้บ่ายนี้จะต้องไปนี่เราทิ้งปัจจุบันไปไม่มีใครมารู้สึกอยู่ในกายในใจในรูปในนามในปัจจุบันนี้ใจมันหนีไปตลอดเวลาหนีไปอดีตหนีไปอนาคตหนีไปหารูปไปหาเสียงไปหากลินไปหารสไปหาสัมผัสไปหาเรื่องราวที่คิดโดยละเลยที่จะรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจจิตใจที่ร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิน้นกายใจหนีไปคิดโน่นคิดนี่อะไรพวกเนีน้ คือจิตที่ไม่มีสมาธินะจิตใจที่ไม่มีสมาธิมันถูกอะไรผลักดันมันถูกความฟุ้งซ่านผลักดันถูกโมหะนะตะกุ่นฟุ้งซ่านผลักให้วิ่งออกไปเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็ซ่านไปทางตาเดี๋ยวก็ซ่านไปทางหูไปฟังนะซ่านไปที่จมกูกที่ลิ้นที่กายที่ใจจิตเนี้ยฟุ้งซ่านตลอดเวลาอํานาจของโมหะคือความฟุ้งซ่านนะผลักดันให้จิตเนี้ยร่อนเร่ไปทําให้จิตเนี้ยไม่มีความสงบ จิตต้องท่องเที่ยวไปตลอดเวลานะมีคําว่าโคจรโคจรแปลว่าที่ไปของวัววัวมันไป <c oughs> ไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจนะตัวไหนเป็นวัววัวหน้าโ ง, ง่ใจเหล่านี้เ <c oughs> องนะล่อนเร่ไปเรื่อยในเมื่อการที่จิตมันฟุ้งซ่านไปนะีมันฟุ้งซ่านไปด้วยอํานาจของกิเลสเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลส ที่ใดมีกิเลสที่นั้นไม่มีสติงั้นให้เราคอยรู้ทันถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านเมื่อไหร่คอยรู้ทันทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นสมาธิสําหรับคนที่เข้าชาญไม่เป็นนะถ้าเข้าชาญเป็นเราก็เข้าชาญเต็มภูมิออกจากชาญแล้วมาเดินปัญญาต่อนะแต่ถ้าเข้าชาญไปแล้วเราเชี่ยวชาญในการเจริญวิปัสสนาด้วยการดูจิต ระเดเจริญปัญญาในฌานคนที่เดินปัญญาในฌานได้นะต้องเก่งสองอย่าง1นต้องเก่งในเรื่องฌานมีวัสสีวสีในการเข้าวสีในการทรงอยู่ในการเจริญปัญญาในฌานในการออกจากฌานต้องชำนาญออกจากฌานไม่เป็นนะออกมาแล้วยังเออเออไปนะใจมันยังไม่กลับมาอยู่กับโลกต้องออกเป็นนะต้องเข้าได้ออกได้ทรงอยู่ได้แล้วชานาญในการเจริญปัญญาในฌาน ถ้าดูจิตได้ถึงจะเจริญปัญญาในฌานได้เพราะว่าการเจริญปัญญาในฌานนะั้นเราดูความเกิดดับขององฌานนะแต่ถ้าเจริญปัญญาในฌานไม่เป็นเข้าฌานไปก็ออกจากฌ า, านมะาให้มาดูกายอย่าไปดูจิตเพราะจิตจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูอำนาจของฌานยังส่งผลมาให้จิตว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเพราะฉั้นถ้าเราทําสมาธิระดับฌานได้เนะี่ยให้ดูกาย กายานุปัสสนาเนี่ยังเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับสมถญยานิกแต่ถ้าเราทำฌานไม่เป็นเนเา่ะเราเจริญปัญญาอยู่ข้างนอกนี้แหละนะแล้วสมาธิระดับฌานจะเกิดขึ้นทีหลังในขณะที่บรรลุอริยมรรคนะโสดาปติมรรคขึ้นไปเนี่ยยังไงไงปฐมฌานต้องมาแล้วล่ะได้ฟรีๆเลยไม่ต้องฝึกมาเองงั้นเราคอยรู้ทันนะใจเราเคลื่อนไปเรารู้ใจเราเคลื่อนไปเรารู้ ใจเราหลงไปดูรู้ทันใจเราหลงไปฟังรู้ทันนี่พวกเราลองดูสิมีสตังนะเสียบไม่เยอะเลยเราดูซิแบงก์อันไหนใหญ่ที่สุดลองดูสิลองดูสิสเห็นไหมขนาดที่เราไปดูแบงก์เห็นไหมใจเราวิ่งไปอยู่ที่นี่วิ่งไปอย่างเดียวไม่พอโลภด้วยนะอยากได้อะไรเงี้ยนะเวลาใจเราวิ่งไปดูนี่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละใจไม่มีสมาธิที่ดีแล้วมันมีสมาธิในการดู สมาธิในการดูเป็นสมาธิแบบโลกโลกนะแต่สมาธิที่เราจะใช้เจริญสติเจริญปัญญาทําวิปัสสนากรรมฐานจิตต้องตั้งมัน่นจิตจะไม่ต้องหลงไปทางตาจิตไม่ได้หลงไปทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายจิตไม่หลงไปทางใจไม่หลงไปคิดนึกจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อาศัยสตินะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันทันทีที่รู้ทัน ความฟุ้สซ่านจะดับอัตโนมัติสมาธิจะเกิดขึ้นชั่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิชั่วงขณะสั้นๆเท่านั้นเองชั่วงขณะสั้นๆเราจะได้ประโยชน์อะไรมันสั้นนิดเดียวนะในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ยาวนะั้นก็เกิดจากสิ่งที่สั้นๆมันมาต่อกันนะอย่างเรามองเห็นถ้าเรามองเห็นอย่างที่เราดินสอมาเส้นอันหนึ่งนะเราลากเส้นไปเส้นยาวๆหนึ่งเส้นนะี ในความเป็นจริงแล้วเส้นยาวๆนั้เป็นภาพลวงตาของเราเท่านั้นเองสิ่งที่เป็นจริงนะคือจุดแต่ละจุดที่มาต่อกันอย่างทียิบจุดที่ต่อกันทียิบนะทำให้เกิดความรู้สึกนะว่ามันมีความต่อเนื่องยาวนานเกิดขึ้นคร น, นี้การสมาธิที่เราฝึกทีละขณะทีละขณะนี่แหละถ้ า, ามันเกิดบ่อยๆเราจะรู้สึกว่าตัวรู้ของเราเนี่ยจิตรู้เนี่ยจะทรงตัวอยู่เด่นดวงอยู่ได้ได้นานๆด้วยนะ บางคนได้1 น, นาที1 น, นาทีก็นานแล้วนะเพราะปกติจิตเราไม่อยู่ถึง1 น, นาทีหรอกอยู่2วินาทีก็ยากแล้วทดลองไหมหลวงพ่อจะทดลอสัก5วินาทีนะหวินาทีเนี่ยห้ามพวกเราคิดอ้าวลองดูคิดหมห้าวินาทียังยังไปเลยใช่ไหมบางคนคิดตั้งหลายเรื่องแนละ้วดูออกไหมแวบบเรื่องนี้เไม่เอาอย่าไปคิด ตรงที่บอกอย่าไปคิดนะคิดอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคิดว่าอย่าไปคิดนะเนะื่อใจนะมันจะแชลักตลอดเวลาแวบแวบแวบตลอดเวลานะเหมือนงูแลบดินแวบแวไปเรืนะ่อยให้คอยรู้ทันเอานะถ้ารู้ทันแล้วใจมันจะค่อยๆกลับมาอยู่ที่ตัวเองสมาธิมันจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญานะจะต่างกับสมาธิอันแรกที่หลวงพ่อบอกว่ามีศีล น, นะมีศีลแล้วนึกถึงศีลใจมีความสุข ใจก็สงบนี่บางคนสงบแล้วนะบารมีพอใจมันตั้งมันด้วยนี่ถ้าบารมีไม่พอสงบเฉยๆนะเดี๋ยวนี้นักปฏิบัตินะสงบนงมีแต่ไม่ไม่เดินปัญญาสงบอยู่เฉยๆนะนนเราต้องมาฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่งที่จิตตั้งมันสงบอย่างเดียวไม่พอต้องตั้งมันด้วยสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเรียกว่าอารมณูปนิชานใช้ทำสมถะกรรมฐาน สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูดูอะไรดูรูปธปรรมแสดงไตรลักษ์ดูนามธรรมแสดงไตรลักษ์อันนั้นเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเข้าฌานได้เหมือนกันนะในอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยเข้าฌานได้หนึ่งสองสี่ห้ในลักขณูก็เข้าได้หนึ่งสองสห้าเดเหมือนกันอย่างพระอริยบุคคลเวลาเข้าพระสมบัติเนี่ยจะไม่เข้าอารัมมณูปนิชฌานจะเข้าได้ลักขณูปนิชฌาน อารมณนุษยนิชาเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปจะไม่เห็นนิพพานอานิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้งั้นเราต้องมาฝึกสมาธิที่จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนะวิธีก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะฉันสวดมนต์ก็ได้ฉันนึกถึงศีลของเราก็ได้เวลาเรานึกถึงศีล น, นะใจเรามีความสุขเรารู้ใจเราเผลอไปคิดเรื่องอื่นเรารู้เนี่ยคอยรู้ทันเวลาใจมันเผลอนะหรือเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเราก็รู้สึกตัวหายใจเรารู้สึกตัว เรื่องหายใจก็เป็นเรื่องใหญ่นะพวกเราหายใจไม่ค่อยเป็นเวลาบอกให้เจริญอาณาปณสติเนี่ยเกือบร้อยละร้อยนะเพ่งอยู่ที่ลมหายใจพระท่านเจ้าไม่ได้สอนให้เพ่งลมหายใจนะถ้าเพ่งลมหายใจจะเป็นกรสินนะเป็นกรสินท่านบอกว่าที่สูตรทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวไม่ได้บอกให้ดูลมหายใจนะให้รู้ว่าหายใจออกยาวใครหายใจออกยาวร่างกายนี้หายใจออกยาว ใครรู้ว่าร่างกายหายใจออกยาวใจเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ที่สู่ทั้งหลายหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวใครหายใจเข้ายาวร่างกายหายใจเข้าใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้มั้ยมีรูปกระน a m นะรูปในหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มากนะถ้าฝึกจะฝึกหายใจก็ฝึกอย่างนี้จะสบายกว่าเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ฝึกเพ่งลมหายใจเพ่งจนลมดับกลายเป็นแสงถัดจากนั้นก็ตามแสงไปเที่ยวไปเล่นนะใจออกนอก ไม่ดีลองมาฝึกนะหายใจด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตั ว, หออต ว, ห เ, ตวเห็นร่างกายหายใจถ้าใจเราหนีไปใจแอบไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ว่าใจมันหนีพิคิดถ้าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูต่อไปมันจะขึ้นปัญญาได้เพราะการเจริญปัญญาเนะจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญานะีอยู่ที่การแยกรูปแยกนามนะแยกรูปแยกนามได้จะเห็นรูปมันหายใจอยู่ นามคือใจเป็นคนดูอยู่ะงั้นต้องขึ้นวิปัสสนานามแยกรูปเรียกนามไม่ใช่นึกยวขึ้นวิปัสสนาก็ขึ้นเราเลยไม่เป็นวิปัสสนาจริงหรอกอย่างกําหนดไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนากําหนดเพราะกดเป็นการเพียงอย่างหนึง่งปัฏณะเพราะเห็นไม่ใช่กฎพอรู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องนะเราแนะนําว่า ไปฟังซีดีหลวงพ่อถ้าไม่มีซีดีฟังก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตฟังอย่าเอาแต่เล่นไลน์นะไปเปิดอินเทอร์เน็ตฟังธรรมะฟังหลายๆทีเดี๋ยวก็เข้าใจธรรมะที่หลวงพ่อสอนให้นะจริงๆแล้วเป็นธรรมะที่หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอ า, าจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ธรรมดาหรอกแต่ว่าปกติสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่ได้สอนวงกว้างเราเข้าไปหาเนี่ยคนที่ฝึกกรรมฐานจริงๆมีไม่มาก เราเข้าไปกราบท่านนะท่านก็สอนสอนอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเรานี้แหละนี่หลวงพ่อเอาธรรมะที่ท่านสอนหลวงพ่อมาเล่าให้พวกเราฟังเนี้ยมันเป็นวงกว้างฟังแล้วมันเลยแปลกๆที่จริงแล้วเป็นธรรมะที่สําคัญมากเลยอย่างถ้าเราแยกรูปแยกนามไม่เป็นนะเราทําพิพิธสนาไม่ได้หรือถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นเราจะแยกรูปแยกนามไม่ได้ถ้าใจเรายังเคลื่อนไปเราก็ยังตั้งมั่นไม่ได้ ทำไมใจเคลื่อนไปจิตถูกความฟุ้งซ่านผลักดันทำไมจิตยังถูกผลักดันได้มันยังไม่รู้ทันนะต้องค่อยฝึกทำไงจะรู้ทันทำไมสติจะเกิดก็ต้องหัดรู้บ่อยๆนะหัดรู้บ่อยๆจนจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วมีทีละสัญญาสติจลยก็เกิดสติเกิดนะเรารู้ทันใจหนีไปเรารู้ใจหนีไปเรารู้นะรู้ไปอย่างสบายๆเคล็ดลับอยู่ที่รู้อย่างสบายๆ รูยมีความสุขเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธนะิใจมีสมาธิมีความสุขมีความสงบแล้วบางคนเนี่ยจิตตั้งมั่นบางคนไม่ตั้งสงบแล้วจิตอย่างไหลเช่นไปรู้ลมหายใจนะจิตไหลไปอยู่กับลมไปดูท้องฟองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องังนั้นเป็นอารามณูปนิชานเป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งสงบอย่างเดียวให้เรารู้ทันจิตที่ไหลเนะช่นเราพุโทโธพุโทโธจิตไหลไปคิดรู้ทันนะ พุทโธพุทโธจิตไหลไปในความว่างรู้ทันรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งช่วยตัวเองหน่อยนะสละกเวลาวันหนึ่ง15นาที20นาทีไม่ต้องมากซ้อมทุกวันทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้ะ ยังไปดูท้องของยุบแล้วจิตไปอยู่ที่ท้องอันนี้คือการเพง่งนะจะได้สมาธิชนิดสงบได้อารมณูปนิชานนะจะเลิปัญญาไม่ได้นะแต่ถ้าเราทำสมาธิให้ถูกนะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนรู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเพราะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเนะี่ยมันจะเห็นนะร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าตัวที่หายใจนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าตัวที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะ โ, โลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าตัวจิตเองก็มีจิตไปรู้อีกนะเดี๋ยวจิตก็ไปทางตาเดี๋ยวจิตก็ไปทางหูเดี๋ยวจิตก็ไปทางใจนะก็มีจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้เข้าจิตก็เกิดดับสืบเนื่องกันตลอดไปลาอย่างนั้นเราถึงจะทำวิปัสสนาได้นะถ้าทําไปเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวทํำวิปัสสนาไม่ได้นะต้องระมัดระวังนะอย่าไปตามแต่กรรมฐานเพ่งงั้นวิธีฝึก แต่ตอนนี้มีคนเดินมาคนหนึ่งพวกเรารู้สึกไหมใจเราวิ่งไปที่เขาล้วใจเราวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งทำอะไรเนี่ยะใจจะไปอย่างเงี้ยให้รู้ทันใจหนีไปแล้วะห้ามหนีได้ไหมห้ามไม่ได้หนีแล้วให้รู้จําหลักตัวนี้ให้ดีนะถ้าห้ามใจไม่ให้หนีคือการเพ่งแต่ถ้าใจหนีไปเรารู้จะได้ความตั้งมั่น ถ้าสมาธิชนิดตั้งมั่นไม่เกิดอย่ามาคุยเลยเรื่องแยกรูปนามทำไม่ได้จริงหรอกมันจะไปเพ่งรูปนามมากกว่างินทุกวันต้องฝึกนะรักษาศีนเอาไว้แล้วแบ่งเวลาวันหนึ่งสัก15นาทีไหว้พระสวมดมนต์นิดหน่อยไม่ต้องสวดยาวส่วนหมด15นาทีแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปไม่ใช่ทากรรมาฐานแล้วห้ามจิตหนีนะ อย่าไปทำกรรมฐานแล้วห้ามจิตหนีไปที่อื่นนั้นจะเป็นกรรมฐานเพ่งจะเป็นอารมณูปนิชฌานให้ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งจิตหนีไปเรารู้เช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้คิดเรื่องอื่นรู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องก็รู้เดินจงกรมก็เหมือนกันจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าที่ร่างกายที่เดินก็รู้นะให้รู้ทันจิตจะตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยโอกาสที่ขันจะแยกออกไปจะมีเราจะแยกรูปแยกนามได้แล้วจิตจะเป็นคนดูขึ้นมามันก็จะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึง่งจิตเป็นคนดูอยู่ส่วนหนึง่งความสุขทุกข์บางทีก็อาศัยอยู่ในกายบางทีอาศัยอยู่ในจิตแต่ก็ไม่ใช่กายแต่ก็ไม่ใช่จิตเป็นอีกขันหนึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งคําว่าขันนะพวกเราอย่า ก, กลัวมันนะบางคนได้ยินคําว่าขันห้าฟังแล้วกลัวคําว่าขันนะภาษาแขกเท่านั้นเอง ภาษาไทยคือคําว่าส่วนส่วนที่เป็นร่างกายรูปธรรมส่วนที่เป็นความสุขทุกข์ส่วนที่เป็นความจําได้หมายรู้ส่วนที่เป็นความปรุงดีปรุงชั่วส่วนที่เป็นความรับรู้นี่คือตัวขันห้านั่นเองนะงั้นเราไม่าไปกลัวคําว่าขันนี่กลัวภาษาบาลีเรารู้ภาษาไทยนี่ก็พอละไม่ต้องรู้ภาษาแขกสักคำหนึ่งนะก็บรรลุมรคผลได้นะไม่เกี่ยวกับภาษาเลยงั้นเราฝึกนะทุกวัน ทำกรรมฐานสักอย่างนึงแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปพอฝึกไปนานๆพอจิตมันเคลื่อนคลิก๊กจะรู้ทันอัตโนมัติจิตมันจะจําสภาวะที่จิตเคลื่อนไปได้เมื่อจิตจําสภาวะที่จิตเคลื่อนได้นะเรียกว่ามีทีละสัญญาจําสภาวะได้แม่นสติจะเกิดอัตโนมัติต่อไปพอมันเคลื่อนปุ๊บสติเกิดเองเคลื่อนปุ๊บสติเกิดเองไม่ได้จงใจให้เกิดทันทีที่สติเกิดความฟุง้งซ่านดับอัตโนมัติ จิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นสมาธิอัตโนมัติเกิดแล้วเนี่ยค่อยๆดูไปบางคนขันแยกเคยเจริญปัญญาแต่ชาติก่อนขันแยกเลยบางคนไม่เคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนรู้ตัวอยู่เฉยๆอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องช่วยมันแยกนะวิธีช่วยมันแยกก็คือทํากรรมฐานดูร่างกายไปเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอน ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูกลับบ้านไปกวาดบ้านกวาดบ้านก็คือการทํากรรมฐานนะกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าเห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูไปเรืยเหมือนเห็นคนอื่นกําลังกวาดบ้านเหมือนเห็นคนอื่นถูบ้านเหมือนเห็นคนอื่นซักผ้าใจเราเป็นคนดูหัดแยกไปเรื่อยๆนะซักผ้าไปกวาดบ้านไปนะชักโมโหคนอื่นนะมันเอางานมาทิ้งให้เราตัวมันหนีไปเที่ยวเราต้องทํางานอยู่คนเดียวชักโมโห โมโหก็รู้ทันเห็นความโมโหเกิดขึ้นทีแรกใจไม่ได้โมโหตอนนี้ใจโมโหความโมโหเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาใหม่นั้นความโมโหไม่ใช่จิตใจของเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะเราจะแยกได้ว่าความโกรธนะก็ไม่ใช่จิตนะเป็นอีกขันหนึ่งเรียกว่าสังขารขันเนี่ยค่อยๆหัดดูไปความสุขความทุกขนะ์อย่างเรานั่งอยู่เนี้ยนั่งนานๆมันเมื่อยนั่งทีแรกไม่เมื่อยความเมื่อยมันมาทีหลังนั้นความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยคนละอันกัน อย่านะแยกได้หัดแยกไปเรื่อยๆนะแล้วจะเห็นว่าแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราตรงที่เห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราความดีความชั่วทั้งหลายนะโลภหลดลงทั้งหลายไม่ใช่เราความรับรู้ที่วิ่งไปรู้ทางตาวิ่งไปรู้ทางหูวิ่งไปรู้ทางใจไม่ใช่เราดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะแล้วนะวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้สัมมาทิฏฐิสมมาธิฏฐิในเบื้องต้นคือเห็นว่าตัวเราไม่มี มีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมนะมีแต่ขันห้ามีอายะตะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีธาตุดินน้ำไฟลมนะไม่มีเราจะเห็นเลยมันไม่มีเราดินไม่ใช่เราน้ำไม่ใช่เรานะร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้าไม่ใช่เรานะความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราโลกโกลดหลงไม่ใช่เรา จิตก็ทํางานได้เองนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สกุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจทํางานเองไม่ใช่เราดูซ้ําๆนะเราจะเห็นว่าไม่มีเราในในขันห้านี้ไม่มีเราที่อื่นนอกจากขันห้าด้วยนะที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีเราถ้าเห็นอย่างนี้เราจะได้สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นได้เป็นโสตบันนะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนที่เป็นอมตะนะจะเห็นได้ไม่มีอะไร มีธาตุมีขันมีรูปมีนามมีกายมีใจแต่ไม่มีเจ้าของรูปนามกายใจทำงานไปแต่ไม่มีผู้กระทำร่างกายมันทำงานไปร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่มีผู้กระทาไม่มีเราผู้กระทำใจมันโกรธมันความโกรธเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เราโกรธนื่นจะเห็นอย่างนี้มีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทามีขันแต่ไม่มีเจ้าของ เนี่คยค่อยๆฝึกนะแล้วต่อไปถ้าได้ทรรมาขั้นต้นแล้วนะการปฏิบัติมันก็จะสะดวกขึ้ น, นต่อไปค่อยฝึกทุกวันทุกวันกปัญญาสมาธิฐิก็จะมากขึ้นมากขึ้นสมาธิฏฐิขั้นสูงสุดก็คือความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเราจะรู้ว่าขันห้ารูปนามกายใจเนี่ยที่เบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ รูปนี้คือตัวทุกนามทั้งหลายเป็นตัวทุ ก, opposed, ทกจิตผู้รู้นี้แหละคือตัวทุกถ้าเห็นอย่างนี้นะมันจะวางเพราะว่าเห็นทุก์เมื่อไหร่มันจะวางเลยมันจะรับเอาต่อไปไม่ได้ที่มันไม่วางเพราะว่ามันเห็นว่าเป็นของดีอย่างร่างกายเนี่ยเราปล่อยวางร่างกายไม่ได้เพราะเราเห็นว่าร่างกายเป็นของดีเราปล่อยวางจิตใจไม่ได้เพราะจิตใจนี่แหละเป็นที่สนองอารมณ์ต่างๆหาความสุขมาความเพลิดเพลินมาสนองที่ใจนี้ แต่ถ้าวันใดสติปัญญาแก่รอบจริงๆนะกายนี่คือตัวทุกข์ใจนี่คือตัวทุกข์ทุกข์ล้วนล้วนทุกวันนี้ไม่เห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆ้วนเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนล้วเราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างไม่เราปล่อยไม่ได้แต่วันใดที่แทงตลอดรู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์นะเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเลย ว่ารูปประธรรมทั้งหลายนี้เป็นตัวทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปนมามธรรมทั้งหลายนี้เป็นตัวทุก์นอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกหรอกที่เกิดมีแต่ทุกหลอกที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกหรอกที่ดับไปถ้าเห็นอย่างนี้นะจิตจะหมดความยึดถือนะจะไม่ยึดถือตัวสุดท้ายที่มันจะปล่อยคือตัวจิตมันจะปล่อยกาย ก, ายก่อนถ้าปล่อยตัวอื่นๆทิ้งไปก่อน ตัวที่ปล่อยยากที่สุดนึ่งคือตัวจิตนั่นเองเพราะว่าเราพอนาเนี่ยพอใจเราสูงขึ้นสูงขึ้นนะจิตจะเต็มไปด้วยความสุขสมาธิเขาทรงตัวเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันนะกิเลสเขไม่เข้ามาแพร่ผ่านในสว่างไสวมีความสุขโอกาสที่จะเห็นว่ามันคือตัวทุกข์นะี่ยากมากอาศัยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะขันห้าเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้ให้สงังวรรักษาจิตเอาไว้เป็นสุขซะหน่อยนะถ้าปัญญารู้แจ้งแทงตลอดที่วาง วางแล้วถ้าวางจิตได้ อ, อันเดียวนะก็จะไม่ยึดอะไรในโลกเหมือนเวลาที่รู้แจ้งในขั้นต้นนะถ้ารู้แจ้งมาจิตไม่ใช่เรานะในโลกจะไม่มีอะไรเป็นเราอีกในขั้นสุดท้ายนะถ้ารู้แจ้งว่าจิตเป็นทุกข์ในโลกนี้จะไม่มีอะไรเป็นสุขอีกเลยนะมีแต่ทุกข์ล้นล้นเลยงั้นจิตตัวเดียวนี้เองนะเป็น ท, ที่ที่แตกหักนะรู้โลกที่จิตอย่างแจ่มแจ้งก็แตกหักกันตรงนี้เลยถ้ารู้โลกที่อื่นยังไม่แตกหักจริงยังเห็นกลายเป็นตัวทุกข์ในวางกาย ว่างกายไปมจะมาสงวนรักษาจิตยอยู่เป็นภูมิธรรมของพระนักธมีฝึกเอานะเพราะงั้นสรุปนะขั้นต้นทุกวันตั้งใจรักษาศีลห้าตั้งแต่ตื่นก่อนกินข้าวแต่ละมือ้อก่อนนอนตั้งใจรักษาศีลห้าไว้แล้วต่อไปก็ฝึกสติคอยรู้ทันเวลาโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยนะกิเลสมันจะดับศีลมันจะมีแล้วก็อาศัยสตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่มันฟุ้งซ่าน จิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันรู้ทันอย่างนี้สมาธิจะเกิดถ้าสมาธิเกิดแล้วก็หัดแยกรูปแยกนามไปเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจ เ, เป็นคนดูเห็นสุขเห็นทุกข์ใจเป็นคนดูเห็นดีเห็นชั่วใจเป็นคนดูเห็นจิตมันทํางานใจเป็นคนดูนะฝึกไปเรื่อยและปัญญามันจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดปัญญาแก่รอบแล้วมีมุตต์ความหลุดพ้นก็จะเกิดเมื่อหลุดพ้นแล้วความทุกข์มันก็จะสิ้นจากใจเรา ความทุกข์จะเหลือแต่ทางร่างกายนะก็เข้ามาไม่ถึงใจอีกแล้วจิตมันจะแปลสภาพไปจากที่เคยเป็นในจิตของพวกเรานะมันขับแคบมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาแล้วจิตที่มันพ้นไปแล้วนะวางไปแล้วนะมันไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมามันเต็มสว่างสวเต็มโลกเต็มจักรวาลมีความสุข ที่มหาศาลเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นไม่อิงอาศัยเลยกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งกับจิตนะเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งนะซึ่งไม่มีในคําสอนของใครหรอกนอกจากของพระพุทธเจ้าเงั้นเป็นบุญที่พวกเราได้เป็นชาวพุทธอย่าเป็นชาวพุทธเปล่าๆแต่ชื่อเหมือนที่คนส่วนใหญ่เขาเป็นนะทําบุญทําทานอะไรนี้ก็ดี ไม่พาสวดมนต์ทำสมาธิก็ดีถือศีลเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าศาสนาอื่นเขาก็มีเรื่องเหล่านี้ถ้าเรายังไม่ขึ้นสู่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเรายังไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากคาสอนของพระพุทธเจ้านะแยกรูปอยกนามไม่เป็นดูรูปนามแสดงใจรักไม่เป็นยังไกลกับความเป็นชาวพุทธเป็นแต่ปากนะยังไม่ใช่ชาวพุทธแท้แท ยังเป็นชาวพุทธกลับกร อ, อกอยู่ศรัทธานี้ยังกลับกร อ, อกอยู่ไม่แน่นแฟ้นในพระรัตนตรยัยนะทำอะไรพระพุทธเจ้าขัดผลประโยชน์ของเราเราโกรธเลยประเภทนั้นนะพนะพุทธเจ้าสอนอย่างน้นอย่างนี้โอ้ยศรัทธาศรัทธานะบอกอย่ามีเมียน้อยอยากมีเมียน้อยไม่เอาแล้วพระพุทธเจ้านะทิ้งเลยนะไม่เอานะเรากลับกร อ, อกงั้นเราพยายามฝึกนะ ศีลศิกขาจิตศิขาปัญญาศิกขาฝึกให้มากเป็นวันหนึ่งใจเข้าถึงธรรมเราไปเป็นลูกพระพุทธเจ้าที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงมีไม่มากหรอกนะมีน้อยอย่าปล่อยให้พระพุทธศาสนาดับสูญไปในรุ่นพวกเรานะยังไงต้องส่งเอาไว้ให้ได้แล้วก็สืบทอดต่อไปให้ได้นะอันนี้สมควรแก่เวลากรมน้สการหลวงพ่อค่ะ มีปฏิบัติอยู่ตามที่ตามที่เคยฟังจากทางซีดีของหลวงพ่อค่ะแล้วก็พยายามดูสภาวะซึ่งก็จะเห็นสภาวะของการการเวลาที่เรารู้สึกว่าเราโกรธเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเศร้าค่ะจะเริ่มจำสภาวะพวกนี้ได้แล้วก็จะจะเห็นการเกิดการดับของอสภาวะนี้นั่นแหละไม่เห็นสภาวะธรรมนะค่ะก็จะไม่เห็นไตรลักษณ์จะเห็นสภาวะธรรมเป็นนะถึงจะเห็นไตรลักษณ์ ค่ะแต่ที่แต่ทีนี้สภาวะที่ที่มองไม่เคยเห็นไม่เคยทันเนี่ยคือสภาวะของการไปคิดนะคะส่วนใหญ่แล้วที่ที่เห็นบ้างเนี่ยคือมันเป็นการคิดประกอบร่วมกับความรู้สึกของโกรธหรือว่าความรู้สึกเศร้าเป็นหลักอะค่ะมันเป็นเรื่องปกติโทสะเนี่ยเป็นตัวที่ดูง่ายที่สุดเพราหยาบที่สุดนะโลภะเนี่ยรองลงมาโมหะความหลงเนี่ยดูยากที่สุดนะโดยเฉพาะโมหะขั้นสูงสุดนะคือตัวอภิชาเนี่ย มันใสให้มันสว่างสวัยนะยังกระตัวกุศลน่ยดูยากงั้นเราดูเท่าที่ดูได้ถ้าจิตมีโทสะบ่อยเราก็เห็นเลยจิตทั้งวันมีอยู่สองชนิดคือจิตที่มีโทสะกับจิตที่ไม่มีโทสะเห็นไหมจิตที่มีโทสะจะเกิดเราไม่ได้สั่งะมันเกิดได้เองจิตที่จะไปรู้ทันว่ามีโทสะมันก็เกิดได้เองเราสั่งไม่ได้ตรงที่เราเห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปเรียกว่าเห็นอนิจจังตรงเห็นว่าสั่งไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตา อาศัยจิตโกรดนี่แหละทํากรรมฐานไม่ต้องรู้จิตทุกชนิดนะพราะพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนว่าทุกคนต้องรู้จิตทุกชนิดคนไหนขี้โกรธก็ใช้จิตโกรธใช้คู่เดียวนะบอกว่าดุขรพีิสู่ทั้งหลายถ้าจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะฝึกมันแค่นี้แหละต่อไปมันจะเห็นในจิตมี2อย่างเองจิตที่โกรธกับจิตที่เฉยเฉยไม่โกรธนะจิตที่ไม่โกรธอาจจะเป็นจิตโลภก็ได้จิตที่เป็นกุศลก็ได้ แต่จิตหลงอยู่เฉยๆก็ได้แต่รวมไปแล้วมีสองแบบโกรธกับไม่โกรธโกรธกับไม่โกรธตรงที่โกรธกับไม่โกรธเราก็จะตูไปเรื่อยเห็นนะมจิตที่โกรธก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไม่โกรธก็อยู่ชั่วคราวนะจิตที่โกรธเราก็สั่งไม่ได้นะบอกว่าอย่าโกรธมันก็โกรธได้เองใช่ไหมโกรธเราก็ไล่มันไม่ไปบอกหายโกรธเรื็วๆมันก็ไม่หายเนี่ยตัวนี้เรียกเห็นอนัตตาค่ะทีนี้จะขอถามเพิ่มอีกนิดนึงนะคะคือตอนที่เวลาจะพยายามที่จะทําในรูปแบบนะคะ แต่ว่าพอทําเนี่ยมันเหมือนมันจะมันจะแยกไม่ออกระหว่างการไปฟุง้งไปคิดแล้วก็กลับมาอยู่ระหว่างการยื้อกับระหว่างการฟุ้งไปคิดกับกา ร, รากลับมาเพ่งเราไม่ยื้อนะอคแค่ว่าหนีไปคิดเรารู้หนีไปคิดเรารู้แต่ของคุณเมื่อกี้ก็บอกเองอะว่าตอนที่มันฟุ้งไปมันไหลไปเนี่ยไม่เห็ น, หนต้องเห็นตอนโกรธแล้วะ เ, เห็นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนต่อไปมันก็เห็นละเอียดขึ้นค่ะ ที่นีจ้จะไม่แน่ใจว่าอย่างปัจจุบันนะคะคือยังไม่เข้าใจสภาวะที่ทหลวงพ่อคือฟังหลวงพ่อพูดถึงคําว่ารู้สึกตัวบ่อยๆนะคะ่ะอยากจะขอรู้สึกไหม<ล> ว, ว่าขณะนี้จิตอยู่ที่ไหน ร, รู้สึกไหมจิตมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยจิตมันลืมตัวเองจิตมันวิ่งไปอยู่ที่หลวงพ่อลองดูที่กล่องผ้าป่านี่สิเห็นไหมจิตไปอยู่ที่ผ้าป่าเนี่ยจิตมันวิ่งไปเราลองซ้อมนะวิธีซ้อมเนี่ยเราหลับตาซะก็ได้ แล้วก็นึกถึงผมเนี่ยรู้สึกไหมจิตไปอยู่ที่ผมเออแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่แขนที่มือที่เท้านะเนี่ยย้ายไปย้ายมาซ้อมไปเรืนะ่อยะซ้อมให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมามันเคลื่อนไปตรงไหนรู้เคลื่อนไปตรงไหนก็รู้นะแล้วต่อไปมันเคลื่อนเราจะรู้โดยไม่ต้องจงใจนะไปฝึกตัวนี้นะแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นกราบค่ะผู้คุณค่ะนันสการ์นค่ ะ, ะหลวงพ่อ กันบ้านหนูรู้สึกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะช่วงนี้หลวงพ่อไม่ได้ฝึกเอาดีหนูไม่วามรู้สึกว่าหนูโดนตัวขี้เกียจอยู่ตลอดเวลาเลย ต, ตัวขี้เกียจเนี้ยนะไม่มีใครกล้ามาพูดหน้าหลวงพ่อเลยนะขออนุญาตเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาช่วงนี้ของหนูจริงๆค่ะขี้เกียจมันมีสภาวะเหมือนไฟไหม้บ้านอยู่ขี้เกียจวิ่งหนีอทําไงนาะใครจะมาอุ้มเราไป โลกนี้ไฟกําลังไหม้อยู่เราไม่เห็นเราก็ท้อแท้ใจชี้เกียจชี้คลานไปนะจะรอให้ไฟครอบไฟครอกหมายถึงยังไงตอนที่ความทุกข์รุนแรงมันเกิดเวลาที่ความทุกข์รุนแรงเกิดเนี่ยเราไม่ได้เคยฝึกซ้อมไว้เราจะช่วยตัวเองไม่ได้ในลกูกศิษย์หลวงพ่อที่ฝึกๆ ก, กันนะจนชํานิชํานาญนะอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยนะนะจิตมันทํางานอันตโนมัติเลยนะ นั่งรถไปรถกว่ามเนี่ยจินปุ๊บออกมาเป็นคนดูเลยเห็นร่างกายกําลังกลิ้งหุนๆลุนหลุไปรถหมุนไปใจเป็นคนดูนะไม่ตกใจเลยนะแล้วส่วนมากไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าสติเป็นดนะีเวลาจะไม่สบายมากนะไม่สบายมากมเห็นร่างกายมันป่วยใจมันอยู่ต่างหากใจมไม่ป่วยมันแยกอันตโนมัติเลยเวลาจะตายเห็นร่างกายมันจะตายใจเป็นคนดูไม่เดือดร้อนเลยนะเราะนั้นเขาทําได้เพราะว่าเขาฝึกเรื่อย เราไม่ฝึกไว้ได้่อยๆเราถือเวลาจวนตัวเราทําไม่ได้นะใครก็ช่วยเราไม่ได้หรอกมันเหมือนมันเข้าข้างตัวเองว่าดูอยู่แหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูเห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสไหหนูเห็นเยอะแยะเลยค่ะในตัวหนูค่ะเออถ้างั้นอ่ะเรียกว่าปฏิบัติแล้วใช่ไหมคะใช่เพราะมันเยแต่มันเห็นตัวขี้เกียจเยอะไปหน่อยไหมขี้เกียจไหมค่ะใจอยู่กับตัวเองหรือเปล่าตอนนี้อ่ะค่ะเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ไม่อยู่เลยใช่ไม่อยู่ ไปไหนไปอินในโลกของความคิดเห็นไหมเนี่ยรู้ทันมันนะรู้ทันมันเข้าไปแล้วการที่เห็นตัวขี้เกียจบ่อยนะก็เรามีตัวขี้เกียจเยอะเราเห็นบ่อยก็ถูกแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าขี้เกียจภาวนาไม่ยอมดูนะถึงฉันใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าความขี้เกียจเกิดแล้วรู้ว่าขี้เกียจเนี่ยถือว่าปฏิบัติอยู่นะใจมันใจมันไม่ชุ่มชื่นนะคะเหมือนกัะแบบไม่ชุ่มชื่นรู้แต่ก็เหมือนแพ้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หัสู้ไว้สิไม่ชุ่มชื่นทํายังไงไม่ชุ่มชื่นรู้เข้าไปตรงๆเลยว่าไม่ชุ่มชื่นแลเห็นเลยความไม่ชุ่มชื่นไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปดปลอมเข้ามาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดูมันเข้าไปตรงๆอย่าไปกลัวมันเพราะงั้นเวลาใจไม่แช่มชื่อ น, นะดูเข้าไปตรงๆเลยะมันจะขาดสบั้นออกไปเลยค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะนมัส ก, การค่ะ โยมตอนที่หมอบอกว่าสงสัยว่าโยมจะเป็นมะเร็งหลังไข่โยมก็ลงไปดูจิตอัตโนมัติอืมจิตโยมก็เฉยๆมไม่เดือดร้อนอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าโยมคิดว่าเป็นระยะที่หนึ่งเพราะว่ามันไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากกินข้าวไม่ได้แล้วก็น้ําหนักลดไปยี่สิบโล<ม>แล้วอ่อพอตอนที่คุณหมอบอกว่า เป็นระยะที่สามจิตมันตกไปนิดนึงกินข้าวไม่ลงเป็นมือ้อหนึ่งมื้อเย็นอพอตอนเช้าก็กินข้าวได้เป็นป ก, กตออิต้องกินไม่ก่อนนละเนี่ยเป็นมะเร็งหัวท้อเนี่ <laughs> แล้วแล้วตอนผ่าตัดน่ะจิตโยมก็เฉยมากเลยโยมมันนิ่งไปหมดเลยอะคะ่ะเป็นเป็นเพราะอะไรคะจิตมันทรงสมาธิอยู่ เขาวางยาสลบไหมหรือไม่วางวางยาค่ะวางยาแล้วโยมไปบอกให้เขาหมอเขาบอกว่าต้องควรจะบล็อกหลังก็บล็อกหลังให้เขาบล็อกหลังพอฟื้นมาเอสมองไม่สามารถสั่งขาข้างซ้ายให้ขยับขยื่ยนได้อโยมก็โยมก็รู้สึกว่าโกรธตัวเองว่าไม่น่าเลยเพราะปกติโยมผ่าตาัดทีไรโยมไม่เคยไม่เคยให้หมอบล็อกหลังสักทีทหนึ่งพอพอนี้แล้วก็พอ พอเสร็จแล้วก็รู้สึกโกรดนิดเดียวแต่ก็พยายามทําตามคําแนะนํำหมอว่าให้ให้เดินอืแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยกิตยมเฉยมากยมก็สงสัยสงสัยว่ามันเป็นอะไรจิตเป็นทรงสมาธิอยู่ะะค่เวลาจวนตัวจิตให้มันเด่นดวงสว่างสวัยอยู่นั่นนะแล้วผีรอบๆก็จะมาหาเรามาพึ่งพาใส่ไม่เจอไม่เจอนะไม่เจอไม่เห็นแล้วแล้วตอนเมื่อ เมื่อวันวันที่เมื่อที่ผ่านมาเป็นทักกถิ่นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยคะ่ะโยมก็ผู้อรารย์ก็ก็ฝากให้โยมดูคนเขานั่งสมาธิเนี่ยแล้วพอพอโยมโยมรู้สึกปวดหัวโยมก็บอกให้เขาให้เขาหายใจลึกๆอันเนี้ยแล้วพอเสร็จแล้วพอพอเสร็จแล้วพอพอเขาออกจากสมาธิเนี่ยโยมก็ถามเขาว่าตอนที่โยมบอกให้เขาหายใจลึกๆเนี่ยเขาเพ่งใช่ไหม เขาเพ่งจนปวดหัวใช่ไหมเขาบอกใช่อันนี้โยมไปรับรู้เขาหรอไงคะใช่อันนี้เรื่องจิตส อ, ออกนอกรูบาจารย์ห้ามค่ ะ, แ ล, ะแล้วและโยมต้องทํำยังไงบ้างคะอย่าไปนสนใจคนอื่นนะสนใจของเราเวลาเรามีน้อยอย่าสนใจคนอื่นตอนนี้เอาตัวรอดก่อนค่ะนะดูจิตคนอื่นนะเรื่องเล็กดูจิตตัวเองต่างหากยากมันมันเป็นไปเองอะค่ะเอะอนะแล้วแล้วที่โยมไม่สบายครั้งเนี้อโยมก็ ยังสามารถหัวเราะได้สดชื่นได้เนี่ยก็เป็นเพราะฟังฟังการสแสดงธรรมของท่านในแผ่นไหนไม่ทราบว่าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านยังท่านยังก่อนก่อนที่ท่านจะนิพพานน่ะท่านยังไม่สบายหนักอโยมก็เลยโอ้ขนาดพระพระพุทธเจ้าท่านยังเป็นท่านต้อ ง, ต, องต้องรับกรรมถึงขนาดนั้นโยมก็ไม่มีทางที่จะหนีกรรมได้ไม่มีทางแก้กรรมได้เออนะ โยมก็เลยเออจิตใจโยมก็ผ่องใสตื่นแล้วล่ะรักษาใจไปร่างกายก็ให้หมอมันดูแลไปนะอกลับขอบพระคุณค่ะฝึกเอานะฝึกไปเรอยอย่าดูของคนอื่นนะแล้วอย่าไปเอานะเดี๋ยวเสียเวลาเราช่วงนี้รู้สึกว่าภาวนามันเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะหลวงพ่อแล้วก็มันเห็นจิตอไปหมายถึงว่าจิตมันทํางานของมันได้เองมันทําอะไรกับมันไม่ค่อยได้แต่ว่าบางทีมันก็จะ เหมือนบางช่วงที่มันโดนแทรกแซงมากๆเนี่ยมันจะเหมือนเราทำอะไรไม่ได้เลยสมาถะก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปนะพุทโธพุทโธไปใครจะมาห้ามเราได้นะคือหลักของการปฏิบัติเนี่ยดูจิตได้ให้ดูจิ ต, ด, จต ด, ด, ดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะนะไม่ใช้หลักนี้ ตอนนี้คื อ, อยังภาวนา ย, ยัางอยู่ในร่องลอยจิตมีกําลังขึ้นไหมแรมงขึ้นไหมจิตมีกําังนจิตมันมีแรงมากขึ้นแล้วนะเมื่อจิตมันมีกําลังขึ้นแล้วก็เดินปัญญาต่อไปเห็นไหมว่าขันนั่นแยกได้เอเ อ, อมื่อแยกขันได้ลราเห็นไหมขันทํางานได้เองเท่า น, นั้นพอละก็ทําแบบนี้ต่อไปเอแต่ถ้าใจฟุ้งซ่านขึ้นมาเาก็ทำความสงบเป็นระยะระยะนะ รู้สึกว่าความเร่าร้อนในการภาวนามันมันลดลงไปเยอะมากถ้าเรารอนยิงช้าค่ะดูไปสบายสบายถ้เร่าร้อนเมื่อไหร่สมาธิเสียเลยสมาธิเสียเดินปัญญาไม่ได้กลับขอเข้ามาภรตนาตายแล้วกลับขอเข้ามาคุปตาอาจารย์ด้วยนะคะมมไม่ได้ส่งกันบ้านนานก็เ อ, อที่ผ่านมามันจะกําลังมันอ่อ น, นะคะ่ะหลวงพมีที่สักประมาณหลังจากส่งกันบ้านกับ อ, อ ครูบาสําราญไปแล้วรู้สึกกําลังมันดีขึ้นมาอืแล้วก็ว่าให้ไปดูความฟุ้งซ่านซึ่งของปันจะอย่างเยอะอยู่กับตัวโหดหูมันช่วงแรกมันก็จะภาวนาดีค่ะแต่หลังๆเนี่ยเหมือนจะพยายามจะไปสร้างตัวโหดหูขึ้นมาค่อยดูเออรู้ทันน ะ, ะอย่าไปทํามันขึ้นมา<ะ>มันมีแล้วค่อยรู้อย่าไปเท<ะ>ี่ยวหามันให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอา ดูกายกับดูจิตไม่เหมือนกันนะดูกายเป็นปัจจุบันขณะตอนนี้เลยดูจิตเป็นปัจจุบันสันตติเสื่อมเนื่องกับปัจจุบันหดหูหหหหโโดแล้วรูวว้ว่าหดหูโกรธแล้วรู้ว่าโกรธก็ยังอยู่ในทางทําพุทโธไปเรื่อยๆใช่ไหมจ้าหลวงพอ่อจิตมีโมหะไหมมีเจ้าค่ะนะจิตมีโมหะหายใจไหมหายใจไล่ไปตามกระดูกสันหลังตั้งแต่ก้านสมองเนี่ยไล่ไปใจไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หาย สมาธิคารวาตก็อย่างนี้ น, อน้อ <laughs> นกกรครับสมาธิมันน้อยนวัตสการครับหลวงพ่อก็ช่วงนี้จะติดเพ่งอืมครับแล้วก็ถ้ามื่อเช้านี้ก็คือจะมีมุงหวังมมันจะมืดๆครับแต่ว่าตอนช่วงหลังตอนนี้มันรู้สึกสว่างขึ้นมาบ้างอ่ะผ่านนวัส ก, การครับหลวงพ่อวางฟอร์มไหมวางครับ วางฟอร์มให้รู้แล้วก็นึกใหญ่เลยครับว่าจะส่งการบ้านอะไรครับไม่มีการบ้านยงจะมาส่งก็แต่ว่าหลังจากที่ไปกราบหลวงพ่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เห็นว่าเล่นเฟซบมากไปเล่นไลายมากไปเล่นหุ้นมากไปเล่นเกมมากไปครับก็จะต้องลดลงมาเพื่อเอาเวลามาศึกษานบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเนาะหน้าตี มากกว่าตีก็ได้ครับไม่ได้รครับครับอ่ะว่าไปจบหรือยังจบแล้วครับให้ดูรรู้ทันนะใจปรุงอะไรขึ้นมาก็รู้เอานะกรับนมำสศ ก, การค่ะท่านพระอาจารย์คะเออดิฉันขอให้ท่านโปรดเมตตาให้คำแนะนำดิฉันด้วยค่ะสังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันดูออกแล้วใช่ไหมเป็นบางขณะค่ ะ, ะได้เป็นขณะถูกแล้ว ต่อไปเราก็ดูนะร่างกายมันทํางานร่างกายมันยิ้มร่างกายมันเดินร่างกายมันกระดุกกระดิกใจเป็นคนดูแล้วถ้าใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจดีใจร้ายก็ค่อยรู้เห็นสุขทุกข์ดีร้ายก็เป็นของถูกรู้ถูกดู้เห็นใจเราเนี้ยไม่คงที่เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเวลานึกถึงการปฏิบัติก็เป็นผู้เพ่งอย่างเงี้ยเห็นใจเองก็เปลี่ยนแปลงนะเดินปัญญาไปเห็นทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่ถ้าช่วงไหนมันฟุ้งซ่านก็ทำความสงบไว้ผ้าสวนมนไว้ทำสมถานิดหน่อยกล่าวขอบพระคุณค่ะของโยมก็พนานดีขึ้นเยอะแล้วกลั บ, บมีมรดกการหลวงพ่อครับฟังซีดีหลวงพ่อมาแล้วสองปีแล้วก็ฝึกดูลมหายใจแล้วก็ดูอิริยาบถในชีวิตประจำวันครับหลวงพ่อ ก็จะรู้สึกว่ากายกระใจมันต่างคนต่างอยู่บ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอุปทานหรือว่าเห็นจริงครับเวลาเห็นเห็นได้ใจที่สบายไหมสบายแต่ออสบายตลอดฮะหลวงพ่อสบายตลอดเลยเหรอเป็นเป็นส่วนใหญ่ครับ <c oughs> เป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีทุกข์ครับไม่มีทุกข์บุแล <c oughs> ะเห็นนะตายไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราทำงานได้เองดูอย่างนี้อยๆ แต่จะมีตัวหนึ่งคือตัวอสมิมานะะครับหลวงพ่อมัน จ, จะเห็นบ่อยขึ้นเพราะ<ด>ว่าอาจจะเป็นเรื่องของงานที่ทำ<ด>ํำเลยครับ ด, ดีที่เห็นนะกิเลสตัวเนี้ยเวลาเห็นแล้วเราจะอายจะน่าอายต้องยังไงต่อครับหลวงพรู้อย่างที่เป็นอะรู้อย่างที่เป็นก็เห็นนะทุกอย่างมาแล้วก็ไปไม่มีเราสักอันเดียวค่อยดูนะดูไปบ่อยๆกรรมนรัชการจน์ครับ ช่วงนี้ก็ดูเหมือนเหมือนไม่ไม่ค่อยรู้อะไรนะคะแล้วก็เห็นรู้สึกว่ากิเลสมันไม่เห็นจำเบาบางลงเลยค่ะมันมันเยอะขึ้นด้วยแล้วก็มีช่วงที่ว่ามันมันรู้สึกจิตมันเศร้าพยายางที่จะดูดูลงไปแต่มันก็ไม่หายแล้วพอสักพักหนึ่งที่เราลืมมันไปเอ่อตอนนั้นค่อยรู้ว่าเออมันก็หายไปแล้วนะคะขอคำแนะนาค่ะแชมฟังซ่านน่ะสิ พยายามทำกรรมฐานสักอย่างนะจะพูดโธจะหายใจอะไรก็ได้รู้สึกไปเรื่อยๆ่จิตหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้ฝึกบ่อยๆจิตจะได้มีแรงจิตไม่ค่อยมีแรงแรงไม่พอสังเกตไหมว่ากายกับใจมันแยกส่วนกันได้ดูออกแล้วใช่ไหมก็เป็นบางครั้งนะสุขทุกข์ดีชั่วก็แยกออ ก, กได้ดูออกไหมก็มีนะมันแยกเป็นอยู่ะแต่แรงมันไม่พอ เหมือนทุกวันทําในรูปแบบน ะ, ะทําเล่นๆอย่าไปทําหวังดีอะไรหรอกทำไปแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆก็พยายามฝึกอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยค่ะแต่มันก็ยังไม่ครับ ถ, ถ้ากําลังยังไม่พอก็ใช้กรรมฐานที่อยากขึ้นใช้ร่างกายเนี้ยเดินไปรู้สึกตัวกวาดบ้านถูบ้านทํางานนะคอดูใจมันเบาไป<บ>รู้สึกไหมว่ามันเดื่อนลอย เพรานเล่นลอยเนะี่ยต้องใช้กรรมฐานที่หยาบเนะี่ยหายใจแล้วรู้สึกตัวขยับไปไนดะ้ขยับเห็นร่างกายมันขยับอนยะ่างเงี้ยแต่บางคนพอสติมันดีสมาธิมันดีนะแค่ดูจิตก็เป็นสมาธิแล้วนะถ้ากําลังเราไม่พอเราก็อาศัยร่างกายเนะี่ยรู้สึกไหมขยับร่างกายแล้วจิตมันมีพลังขึ้นความรู้สึกตัวมันชัดเจนขึ้นนะแต่เราไม่ใช่ขยับจนงงนนะ อย่างนั้นเกินเกินจริงเออนะก็เอารนะ่างกายมาช่วยแล้วรู้สึกไหมมันรู้สึกชัดขึ้นครับเดี๋ยวผมก็จะอธิษฐานนะครับขอให้ทุกท่านกล่าวพร้อมกันนะครับข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทยธรรม กับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่หลวงพ่อปราโมทปราโมโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวกราบสิ้นกาละนานเทินพวกเรารับพร น, นะ ยถ า, าวาริวหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวเมวายตโตที่นางเปตานางอุปกรปติอิชิตังปฏิตังถุมหังชิปเมวะสมิจฉุสัพเพปูเรนตสังกปาฉันโทปันรสโอยถ า, ามณีโชติรสโอยถ า, าสพีตีโอวิวัชฉันตุสัพโรโคโวินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุจีที่ข่ายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาัจายิโนจตารโธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังปัดจใจทานนะหลวงพ่อม อ, อ, อบให้ทอดท่าป่าด้วยนะเพื่อเราได้บุญส่งต่อหลวงพ่อไปแล้วล่ะ